Mm hmm. จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเรื่อใยในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่ห้าธันวาคมพุทธศักราชาร2 5ยเป็นวันมงคลอย่างยิ่งอีกวันหนึ่งเนื่องจากเป็นวัน พระเจราแล้วพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่นะพระผู้ปกครองประชาชนาด้วยธรรมวันนี้เป็นวันที่เรามีเวลาว่างเนื่องจากเป็นวันหยุดราชการเพื่อให้พวกเราได้มารำลึกถึงพระคุณของผู้ประเสริฐ ของพวกเราทุกคนก็คือบิดาและมารดาผู้บังเกิดกล้าผู้ให้กำเนิดแก่พวกเราทั้งหลายถ้าปราศจากบิดามารดาแล้วพวกเราก็จะไม่สามารถปรากฏเป็นตัวเป็นตนได้อยู่ในขณะนี้เพราะคณของบิดามารดา จึงล้นฟ้ายิ่งใหญ่กว่ามาหาสมุทรหลายร้อยหลายพันเท่าด้วยกันการล้ำลึกถึงพระคุณจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากเพราะถ้าเราไม่ได้ล้ำลึกอยู่เรื่อยๆเราก็จะลืมไปได้เนื่องจากชีวิตของเรานั้นมีเรื่องราวต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราอยู่อย่างต่อเนื่องไม่มีเว้นแต่ละวันเราจึงต้องหาเวลาลำลึกถึงพระคุณของบิดามารดาอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันหนึ่งก็ควรจะลำลึกทั้งสองครั้งด้วยกันคือก่อนนอนเวลากราบพระไหว้พระแล้วก็ให้กร่าบบิดามารดา ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามเราสามารถกราบท่านได้เสมอกราบต่อหน้าก็ได้กราบข้างหลังก็ได้เพราะการการาบนี้เป็นการให้เราได้มีโอกาสได้รำลึกถึงพระคุณอันใหญ่หลวงของบิดามารดานั่นเองเพราะเมื่อเราได้มีการลำลึกอยู่เรื่อยๆแล้ว เราก็จะได้ไม่ลืมและจะคิดถึงท่านคิดถึงความสุขความทุกข์ของท่านเวลาที่เรามีเวลาว่างเราก็จะได้ไปกราบไปพบท่านนำเอาสิ่งของต่างๆไปให้กับท่านตามกำลังฐานะของเรา<อ>เพื่อเป็นการแสดงความกระตันยูกระวเวทีคือ ความสำนึกในบุญคุณของผู้มีพระคุณและการตอบแทนบุญคุณตามแต่จะสามารถทําได้ผู้ที่มีความกะตันยูนี้ถือว่าเป็นคนดีเพราะความกะตันยูนี้เป็นสัญลักษณ์หรือเป็นโลโก้ของคนดีนั่นเองเวลาที่เราจะดูว่า ใครเป็นคนดีหรือไม่ขอให้เราดูที่ความกระตันยูกระตเวทีเป็นเบื้องต้นนี่เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของคนดีทั้งหลายถ้าเป็นจะเป็นคนดีได้นั้นจะต้องมีความกระตันยูกระตเวทีถ้าประกาศตัวเองว่าเป็นคนดีแต่ไม่สำนึกในบุญคุณของผู้มีพระคุณ การประกาศตนว่าเป็นคนดีก็จะเป็นเพียงแต่ลมปากเท่านั้นไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่างใดแม้แต่พระพุทธเจ้าที่ทรงได้บรรลุถึงสถานภาพที่สูงสุดที่เหนือกว่าเทวดาพรมทั้งหลายแล้วก็ตาลแต่พระพุทธเจ้าก็ยังลำลึกถึงพระคุณของบิดาและมารดาถึงแม้ว่า พระพุทธมารดาจะได้มราณาภาพสเสด็จสอนคตไปหลังจากที่ได้คลอดพระเจ้าชายสิทธัตถะออกมาเจวันแต่ความกระตันยูของพระพุทธเจ้านั้นก็ทำให้พระองค์หลังจากที่ได้ตัดสรุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วได้ทรงเล่นยางค้นหา พระพุทธมารดาและได้ติดต่อกับพระพุทธมารดาและได้มีโอกาสทดแทนบุญคุณได้อย่างหมดสิ้นด้วยการแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธมารดาจนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคลเบื้องต้นผู้ที่ ปลอดภัยจากการที่จะต้องไปเกิดในอบายถึงแม้ว่าจะมีพบชาติอีกก็ตามถึงแม้ว่าจะต้องเกิดอีกก็ตามแต่ผ้าโสดาบันจะไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปถึงแม้ว่าจะเคยได้ทำบาปทำกรรมมาอย่างโชคโชนในอดีต ก, ก็ตามแต่พอได้บรรลุเป็นผ้าโสดาบันแล้ว ก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปเพราะอสูสดาบันมีแสงสว่างแห่งธรรมพาไปนั่นเองไม่เหมือนปุถุชนที่ไม่มีแสงสว่างจำเป็นต้องให้บุญและบาปเป็นผู้พาไปถ้าเป็นกำลังหรือเป็นวาระของบาปที่จะพาไปก็จะต้องไปสู่อบายไปเกิดในอบาย ถ้าเป็นวาระของบุญที่จะพาไปก็จะได้ไปเกิดในสุในสุขติแต่สำหรับพระโสดาบานันนี้ถึงแม้จะเป็นวาระของบาฉุดลากให้ไปเกิดในอบายแต่เนื่องจากมีแสงสว่างที่จะเห็นว่าอบายนี้ไม่ใช่เป็นที่น่าปรารถนาท่านก็จะไม่ไปตาม อำนาจของบาป ก, กรรมที่ได้ทำไว้ท่านจะไปตามแสงสว่างที่ท่านมีอยู่นำพาให้ท่านไปสู่สุคติจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระอาหารหันต์สู่พระนิพพานเนื่องจากพระโสดาบันนี้มีแสงสว่างแห่งธรรมที่จะชี้บอกว่าอะไรผิดอะไรถูก อะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษพระโสดาบันและพระอริยเจ้ า, า, าทั้งหลายจึงไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปผู้ใดที่สามารถทำให้บิดามารดาของตนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันผู้นั้นถือว่าได้ทดแทนบุญคุณของบิดามารดาได้หมดสิ้น นอกจากนั้นแล้วจะไม่สามารถทดแทนบุญคุณให้หมดสิ้นไปได้ถึงแม้จะเลี้ยงดูท่านตลอดเวลาแบกท่านไว้บนบ่าให้ท่านขับถ่ายลดใส่ตนมากน้อยเพียงไรก็ตามบุญคุณที่ได้ตอบแทนให้แก่บิดามารดาก็ยังไม่มีหมดยังไม่หมดไปดังนั้น พวกเราจึงควรที่จะพยายามทดแทนบุญคุณของท่านไปตามกําลังของเราถึงแม้ว่าจะไม่หมดแต่อย่างน้อยก็จะทำให้เรานั้นเป็นคนดีทำให้เราเป็นคนมีความสุขทำให้เราเป็นคนที่มีคนนับหน้าถือตาข่าวลเรื่อมใส อย่างที่เราเคาเรพเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเนื่องจากความดีของพระพุทธเจ้าคือความประทัญยูกตเวทีและความดีอื่นๆเช่นทรงมีพระปัญญาอันแหลมคมทรงมีจิตมีพระทัยที่ตั้งมั่นและมีศีลที่สะอาด บ, บริสุทธิ์ทำประโยชน์ให้แก่สรรโลกตลอดเวลา ไม่เคยทำโทษไม่เคยสร้างโทษให้แก่สัตว์โลกเลยพวกเราถ้าอยากจะทดแทนบุญคุณของบิดามารดานอกเหนือจากการเลี้ยงดูดูแลบิดามารดาตามกำลังของเราแล้วถ้าเรายังไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมขั้นอริยมรรคอริยผลได้ไม่สามารถที่จะสั่งสอน ให้บิดามารดาได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้อย่างน้อยเราก็ควรที่จะปฏิบัติตัวเราให้เป็นคนดี mm hmm. มีศีลมีธรรมปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า mm hmm. คือทาบุญละบาปและชำระใจให้สะอาดโดยสุดไป <c oughs> ตามลำดับ <c oughs> การกระทาเหล่านี้ ถือว่าเป็นการบูชาพระคุณของบิดามารดาของผู้มีพระคุณเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พวกเรามีความเคารพนับถือเลื่อมใสการตอบแทนนั้นก็ตอบแทนด้วยการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเรียกว่าเป็นการทำบุญ และละเว้นจากการทำบาปและอบายามุขทั้งหลายเช่นการเดินสุรายาเมาการเที่ยวกลางคืนการเล่นการพนันการคบคนชั่วเป็นมิตรและความเกียดคร้านถ้าพวกเราสามารถปฏิบัติได้เราก็ได้บูชาพระคุณของผู้มีพระคุณไม่ว่าจะเป็น บิดามารดาครูบาอาจารย์หรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเหล่านี้ท่านไม่ได้ต้องการสิ่งใดจากพวกเรานอกจากที่จะให้เรามีความสุขความสุขที่จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเกิดจากการทำความดีทำบุญไม่ทำบาปและปฏิบัติธรรมชาระให้จิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นั่นเอง เพราะเมื่อสังคมของเรานี้มีแต่คนดีสังคมของเราก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขจะไม่มีใครเบียดเบียนใครทุกคนจะอยู่กันอย่างปลอดภัยบ้านช่องไม่จำเป็นจะต้องมีกุญแจไว้ใส่・ไว้คล้องเพราะทุกคนมีศีลมีธรรมคือไม่ลักขโมยไม่ลักทรัพย์ของผู้อื่น ไม่จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาคอยจับขโมยจับคนทําความผิดไม่จำเป็นจะต้องมีศาลมาตัดสินคดีความต่างๆเพราะคนทุกคนมีศีลมีธรรมนั่นเองนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการเป็นผู้ที่มีความกตัญญูกตวเวที แล้วทดแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณด้วยวิธีการต่างๆทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูบชาอามิสบูชาก็ด้วยสิ่งสักการะเช่นดอกไม้ทูกเทียนต่างๆและการปฏิบัติบูชาก็คือการปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีดูแลพ่อแม่เลี้ยงดูพ่อแม่ เคารพพ่อแม่ไม่ว่าพ่อแม่ไม่ด่าพ่อแม่ขอให้เราระมัดระวังเวลาที่เราอยู่ต่อหน้าพ่อแม่เวลาพ่อแม่ว่ากล่าวตักเตือนหรือทําอะไรหรือพูดอะไรที่ทําให้เราไม่พอใจก็ขอให้เราคิดว่าเรากําลังอยู่ต่อหน้าพระอรหันต์ก็แล้วกันเพราะพ่อแม่นี้พระพุทธเจ้าทรง เปลี่ยมไว้ว่าเป็นเหมือนพระอ า, หารหันของลูกๆเราอย่าไปว่าพ่อแม่โดยอันเป็นอันขาดแล้วก็อย่าเถียงพ่อแม่ถ้าเรามีความจำเป็นจะต้องอธิบายหรือทำความเข้าใจก็รอให้พ่อแม่พูดให้เรียบร้อยไปแล้วก่อนแล้วค่อยค่อยขอโอกาสชี้แจง แต่ไม่ควรที่จะเถียงไม่ควรที่จะตอบโต้พ่อแม่และไม่ควรที่จะดุด่าว่ากล่าวพ่อแม่ถึงแม้ว่าท่านอาจจะทำอะไรผิดทำอะไรไม่ถูกก็ตามเราไม่ควรที่จะดุด่าท่านแต่ถ้าเรามีโอกาสก็บอกท่านดีๆก็ได้พูดดีๆก็ได้ว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ เช่นคนแก่บางทีก็ลืมรับประทานยาอย่างนี้ก็ต้องเตือนกันบอกกันได้แต่ยาดูด่าว่ากล่าวยาพูดด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหโทโสงเพราะจะเป็นบาปกรรมนั่นเองพ่อแม่นี้เป็นเหมือนพออระอรหันต์การทำร้ายพ่อแม่นี้ถือว่าเป็นอนันตริยกรรมเลยทีเดียว คือเป็นกรรมที่หนักที่สุดอนันตริยกรรมนี้มีอยู่ห้าข้อด้วยกันคือ 1. นฆ่าบิดาสองฆ่ามารดาสามฆ่าพระอาหารหันต์ 4. ทํทำให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดและทําทำให้สง์เกิดความแตกแยกการกระทำเหล่านี้เป็นการกระทำที่ถือว่าเป็นบาปหนักอย่างยิ่งถ้าทำไปแล้ว จะต้องถึงกับต้องไปตกนรกเลยทีเดียวอย่างพระเทวทัต ท, ที่พยายามปรงพระชนพระพุทธเจ้าอยู่ถึงสามครั้งแต่ไม่สามารถทำได้ทำได้เพียงให้พระบาทของพระพุทธเจ้าห่อเลือดเท่านั้นและยังยุยงให้สงเกิดความแตกแยกพอตายไปก็เลยต้องไปตกนรก ใช้กรรมทั้งๆ ท, ที่ได้บวชมามีศีลมีอิทธิฤทธิ์แต่ศีลและอิทธิฤทธินี้ไม่สามารถที่จะคุ้มครองปกป้องบาปที่พระเทวทัตได้ทำไว้ได้แต่เนื่องจากที่พระเทวทัตก่อนที่จะตายนั้นได้มีจิตสานึกในความผิดของตนได้ขอขมาลาโทษต่อพระพุทธเจา้า การกระทำมนนี้จึงทำให้ท่านได้หลังจากที่ได้ตกนรกแล้วใช้กรรมหุดแล้วได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่และจะได้ตัสัรู้เป็นพระประเจกะพระพุทธเจ้าต่อไปเนื่องจากบุญที่ท่านได้ทำไว้ยังมีอยู่ยังไม่ได้สูญหายไปไหนและความสำนึกผิดของท่านจึงทำให้ท่าน กับตัวมาบำเพ็ญตนเป็นคนดีจนได้ตัดสรลุเป็นพระปเจกัพระพุทธเจ้าในลำดับต่อไปได้นี่คือเรื่องของการกระทำที่มีผลทั้งดีและไม่ดีถ้าทำบุญก็จะมีแต่ผลดีตามมาในปัจจุบันก็จะมีความสุขเวลาตายไปก็จะได้ไปเกิดในสุขติถ้าทำบา ในปัจจุบันก็จะมีความทุกข์มีความวุ่นวายใจแล้วตายไปก็ต้องไปเกิดในอบายเป็นกฎตายตัวจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ต่างไม่มีใครที่จะมายับยัง้งกฎอันนี้ได้เปลี่ยนแปลงกฎอันนี้ได้ถ้าทำบุญแล้วก็ต้องได้รับผลบุญแน่นอนเพียงแต่ว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้นถ้าทำบา ก็เช่นเดียวกันจะต้องได้รับผลของบาปอย่างแน่นอนผลที่จะได้รับในทันทีก็คือความรู้สึกภายในใจเวลาทำบุญแล้วใจจะเกิดความสุขขึ้นมาทันทีเวลาทำบาปแล้วใจจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีส่วนผลต่างๆอย่างอื่นเช่นการได้รับรางวัลหรือการถูกจับไปลงโทษนั้น อาจจะเกิดขึ้นก็ได้หรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้อันนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นผลสําคัญผลสําคัญก็คือความสุขหรือความทุกข์ที่มีอยู่ในใจและภพชาติที่จะต้องตามมาต่อไปคือสุขติหรือทุกขติหลังจากที่ตายไปแล้วผลนี้ไม่มีทางที่จะไปเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าทำแล้วก็จะต้องรับผลของผลนั่นไปอย่างพระเทวทัตเป็นต้นทำบาปแล้วก็ต้องไปใช้บาปยกเว้นถ้าได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ไม่ต้องกลับมาเกิดอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปใช้บาปอีกต่อไปเช่นพระองคุลีมาถึงแม้ว่าได้ฆ่าคนมาถึง9 9 9ารกคนก็ตาม แต่หลังจากได้พบพระพุทธเจ้าและได้ศึกษาพระธรรมของพระพุทธเจ้าจนได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์พอตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดที่ไหนอีกต่อไปถ้ายังต้องไปเกิดก็จะต้องไปเกิดในอบายถ้าไม่ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป แต่ถ้าได้บรรลุเป็นพระอารหันต์แล้วก็ไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปไม่ว่าจะทำบาปมาหนักขนาดไหนก็ตามบาปนั้นก็ไม่สามารถที่จะส่งผลให้แก่พระอารหันต์ผู้ที่ไม่เกิดได้อีกอีกแล้วนั่นเองนี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรมที่มีอยู่ไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ มาสั่งสอนให้แก่สรงโลกหรือไม่ก็ตามพวกเราเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่มานับไม่ถ้วนแล้วไม่ว่าเราจะได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนจากพระพุทธเจ้ามาหรือไม่ก็ตามแต่การที่ได้พบพระพุทธเจ้าหรือได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านี้ถือว่าเป็นโชควาสนาอันมหาศาล เพราะจะทําให้เราได้รู้ถึงกฎแห่งกรรมให้รู้ว่าการกระทําของเรานี้มีผลต่างๆทำตามมาอย่างแน่นอนแล้วเราจะได้รู้จักวิธีที่จะปฏิบัติตัวเรานั้นให้ได้รับผลที่ดีอย่างเดียวคือได้รับแต่ความสุขความเจริญและถ้ายังไม่ได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิด ก็จะได้ไปเกิดในสุขติเสมอจนกว่าจะได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์นี่คือคุณของพระพุทธศาสนาคุณของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะชี้ทางจะบอกเราให้รู้ว่าการกระทําของเรานี้มีผลอย่างไรบ้างเราจึงควรเชื่อพระพุทธเจ้า แล้วก็พยายามปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้คำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็สรุปไว้อยู่3หัวข้อใหญ่ๆด้วยกันคือ 1. ทำบุญ 2. ละบาไม่ทำบาส 3. ชชำระใจให้สะอาด บ, บริสุทธิ์คือละความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปนั่นเอง การทำบุญก็อย่างที่ญาติโยมมาทำกันในวันนี้นำอาหารข้าวของต่างๆมาถวายพระอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำบุญการฟังเทศฟังธรรมนี้ก็เป็นการทำบุญและเมื่อเรากลับกลับไปบ้านเราก็ไปกราบพ่อกราบแม่นำเอาข้าวของต่างๆไปให้กับพ่อกับแม่หรือไปดูแลพ่อแม่ ให้ท่านอยู่อย่างโล่มเย็นเป็นสุขอยู่อย่างสบายไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตของท่านอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำบุญเป็นการทำความดีหรือเราจะทำประโยชน์อย่างอื่นให้แก่ใครก็ได้ทำประโยชน์ให้กับวัดก็ได้เช่นอยู่ช่วยล้างถ้วยล้างชามล้างห้องน้ำช่วยเก็บขยะ อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำบุญทำความดีจะไปทำที่วัดที่บ้านก็ได้ทำที่โรงพยาบาลที่โรงเรียนก็ได้หรือทำตามข้างถนนก็ได้เ mm hmm. ช่นเดินไปแล้วเห็นเศษขยะเกิดกลางเราก็ช่วยกันเก็บเศษขยะเอามาทิ้งในที่ที่ควรจะทิ้ง mm hmm. ก็จะทำให้บ้านเมืองเราสะอาดและจะแสดงออกถึงความ จเจริญของของผู้ที่อยู่ในบ้านเมืองนี้บ้านเมืองสกปรกก็แสดงถึงสถานภาพของคนที่อยู่ในบ้านเมืองนี้ว่าไม่จเจริญเลยเพราะคนจะเจริญ น, นั้นจะเป็นคนรักความสะอาดรักความเรียบร้อยมีระเบียบเคารพกฎหมายเคารพกฎจราจรต่าง คนที่ไม่มีกฎไม่มีระเบียบไม่รักความสะอาดอยู่แบบสโคร ก, กอย่างนี้เป็นคนที่เรียกว่าไม่เจริญดังนั้นถ้าเราอยากจะให้คนอื่นเขาเห็นว่าบ้านเมืองเราเป็นบ้านเมืองที่เจริญเราต้องดูแลบ้านเมืองของเราให้สะอาดคอยเก็บขยะต่างๆที่ทิ้งทิ้งไว้ตามข้างทาง รือทิ้งไว้ตามสถานที่ต่างๆถ้าไม่เชื่อญาติโยมลองไปเที่ยวต่างประเทศดูบางประเทศนี้บ้านเมืองเขาสะอาดมากหาขยะไม่ได้เพราะคนในบ้านเมืองเขาได้รับการอบรมได้รับการสั่งสอนให้รู้จักถึงการทิ้งขยะว่าควรจะทิ้งที่ไหนเขามีที่ทิ้งมีถังขยะให้ทิ้งเขาจะไม่ทิ้งแบบที่ บ้านเมืองของคนที่ไม่เจริญเขาทิ้งกันเช่นนั่งรถไปพอกินอะไรเสร็จของที่กินอยู่ในมือก็โยนทิ้งไปข้างถนนอย่างนั้นอย่างนี้แสดงถึงความไม่พัฒนาความไม่เจริญเพราะไม่มีสติไม่มีปัญญาหรือไม่ใช้สติใช้ปัญญานั่นเองก็เป็นเหมือนกับเดรชานนี่แหละเดรชาณ น, นี่ที่เราเรียกว่าเป็นสัตว์ที่ไม่เจริญ แล้วเราเรียกว่ามนุษย์นี้เป็นสัตว์ที่เจริญก็เพราะว่ามนุษย์นี้มีสติปัญญาสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรสะอาดอะไรไม่สะอาดนั่นเองแต่สัตว์เดรัจฉานนี้เขาไม่มีสติปัญญาที่จะแยกได้ว่าอะไรสกรปรกอะไรไม่สกรปรกเขาก็จึงอยู่กับสิ่งสกรปรกนั้น เขาจึงเรียกว่าเป็นเดราฉานนั่นเองแต่มนุษย์นี้เราได้รับคำยกย่องว่าเป็นผู้ประเสริฐเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐแต่ถ้าเราไม่ใช้สติปัญญาแล้วอยู่อย่างผู้ประเสริฐอยู่คืออยู่อย่างสะอาดสงบเรียบร้อยไม่เบียดเบียนกันไม่ทำร้ายกันอย่างนี้เราก็จะเป็นมนุษย์แต่ชื่อเท่านั้นเองแต่จิตใจของเรานั้นไม่ได้เป็นมนุษย์ ตามร่างกายของเรามนุษย์เราจึงได้ถูกแยกแยะไว้หลายหลายแบบด้วยกันบางคนเขาก็เรียกว่ามีร่างเป็นมนุษย์แต่มีใจเป็นเทพบางคนก็มีร่างเป็นมนุษย์แต่มีใจเป็นพรหมบางคนมีร่างเป็นมนุษย์แต่มีใจเป็นพระเป็นพระอริยะเจ้าขั้นต่างๆบางคนมีร่างของมนุษย์ แต่มีจิตใจเป็นเดรัจฉานบางคนมีร่างของมนุษย์แต่มีจิตใจเป็นเปรตบางคนมีร่างของมนุษย์แต่มีจิตใจของสัตว์นรกดังนั้นการเป็นมนุษย์ที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่จิตใจว่าจะมีสติปัญญาที่จะสามารถ อยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขมีศีลมีธรรมหรือไม่ไม่เบียดเบียนกันไม่ทำให้บ้านเมืองสกปรกขาดระเบียบเนี่ยสังคมของมนุษย์ต่างต้องต่างกับสังคมของสัตว์ถึงจะเรียกว่าเป็นสังคมของมนุษย์ถ้าอยู่เหมือนกับพวกเดรชาญอยู่กันอยู่แบบไม่มีระเบียบไม่รักษาความสะอาด อยู่แบบเบียดเบียนกันไม่เคารพในสิทธิเสรีภาพของกันและกันก็ไม่ต่างจากเดรัจฉานไปอย่างไรเลยนี่คือเรื่องของธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะสอนให้เรารู้จักความผิดความถูกความดีความชั่วเพื่อที่เราจะได้ดำเนินชีวิตของเราไปในทางที่ดี ที่งามที่สุขและเจริญนั่นเองเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดมาทุกข์ทรมานกกับความทุกข์ต่างๆอย่างที่พวกเราเป็นกันอยู่มานับจำนวนไม่ถ้วนพบชาติและจะเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่น้อมเอาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามาศึกษามาปฏิบัติ แต่ถ้าเราได้ศึกษาและได้ปฏิบัติแล้วชีวิตของเราก็จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆจะมีความสุขมากขึ้นไปเรื่อยๆจะมีความทุกข์น้อยลงไปเรื่อยๆจะมีภพชาติน้อยลงไปเรื่อยๆจนไม่มีหลงเหลืออยู่ในที่สุดนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนาจากการได้มาเกิดเป็นมนุษย์ เพราะถ้าไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ก็จะไม่สามารถรับเอาพระธรรมคำสอนมาศึกษามาปฏิบัติได้เช่นถ้ามาเกิดเป็นสุนัขอย่างนี้เป็นต้นถึงแม้จะมาอยู่วัดแต่ก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะได้รับประโยชน์อย่างมากก็จากความเมตตาที่พระาศาสนาสอนให้มีต่อสัตว์ทั้งหลายนั่นเอง สุนัขมาอยู่วัดจึงปลอดภัยมีที่หลับนอนมีอาหารรับประทานนี่ก็เป็นอนิสงส์ของพระศาสนาเหมือนกันแต่เป็นเพียงส่วนย่อยส่วนสำคัญนี้อยู่ที่การพัฒนาจิตใจของพวกเราให้ให้เติบโตจากปุถุชนให้เจริญขึ้นไปเป็นเทพเป็นพรหมและเป็นพระอริยเจ้าขั้นต่างๆ จนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นของพระอาหารหันต์หรือขั้นของพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงขอให้พวกเราจงมีความเชื่อมั่นและมีความมุสาหวิระยะภาคเปลี่ยนที่จะปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้